بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب ا ل عالمين والصلاة والسلام على الشرفين الأنبياء والمرسلين نبينا محمد و ع ل ى آ ل ه وصحبه ا ج ع م ع ي ن رضيت بالله رب وبإسلام دينا وبمحمد ر س و ل ا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 ขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอฮซุบฮานหวตอลประสบแดพี่น้องที่มาร่วมเรียนกุร่านพร้อมความหมายทุกๆ ท, ท่านนะครับอ่านคดูดินละวันนี้ก็จะเริ่มนะครับอ่านในส ah ุระอนิซาอายะที่110 <c oughs> นะครับแต่ก่อนอื่นเริ่มอ่านฟัติฮะกันก่อนนะ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 อัลราะห์มานีอัลราฮิม a ال ิก يوم الدين อียา كنا عبود وأياكنا استعين إهدينا ا ل ِّ ر ا َ المستقيم، ص ِ ر ا ت الذين أنعمت عليهم، غير المضوب غ ِ عليهم ولا الضالين. อาเมนอ้างอุบิลลาฮิมินะชชัยนิรจิมอางอุบิลลาฮิมินะอชชัยตนิรมวมน يعمل صو أن أو يظلم نفسه อรอบนึงนะว่าไม่ยังมัลสูอันเอาจะลิมเนศะว่าไม่ยังมัสุม ทฟลลยาดิลละห์โกฟูร์รหมะทยสตอฟิรลละยดหฟรรหุมมส ตั้งฟิร์ลลอฮฺยาดิลลอฮฺกฟูรราะีมลลฮยดิลลฮกฟูรราะีมวไม ซึ่บอิฟมะฟาอินน์มะยาคซึบุฮฺอัลลาห์นัฟซีวามั ل ยาคซึบอิฟา ซึ่บอิทธมา فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكما وكان الله عليما حكما وما يكسب خطيئة أو إثم อ, อ, อ, อ่าอตรงคอตีนะอันนี้ตัวต่อนะอ่านให้หนานะคอตีไม่อ่านว่าคอจีถ้าคอจีเป็นตัวตาคอตีแล้วก็มีเป็นมัตวายิบนะครับอ่านเสียงยาว 5, ห้าฮารรอกะคอตีอาตันเอาอิสมา อ่าเดี๋ยวรอบหนึ่งนะว่าไม่ยักซิบคอตีออตันเอาอิสมาวาไมยกิบคตี ทุ่มมายาร์มิบَฮَบารีอัลฟาโคดิทามาเลบุตานาววาอิสมามูบَนามายาร์มิบิฮิบารีอัลฟา รอบหนึ h h ่งนะหายใจลึกๆซุมมมยรมีบิบารีอัลฟาโคดิมามลาบุตานวอิฟมัมมูบีนา มินพุ่มได้ไหมลองดูนะต่อยาวตัวนึงว่าลาฟั ดุลลอฮฺ عليك ورحمته لا همطأ إفطم منهم وعاقب الله عليك ورحمته لا ه م, م ط มินหุมตรงตัวตอนะครับละหมมัดเนี่ยไม่ต้องไปที่ตาแล้วนะข้ามไปที่ตัวตอเลยถ้ามันไปที่ตาเดืออ่านยากเขาก็เลยเอาเสียงมันใกล้กันก็เลยเข้าไปที่ตัวตอก็คืออ่านเสียงแน่นเลยครับละหมมตโอ่าไปที่ตัวตอเลยตัวตาข้ามไปเลยนะ و เล้วลาฟ ลุลลอฮฺ عليك ورحمةه لاهم طائفتهم منهم อ้ ي ยดุลุคและมาดุลลุนอิลลาฟุสะห์มอ้ายดุลุคและมาดุออ่ตรงไอกินะไอหนงเสียงด้วยนะ โนตายพบยาอิดกรมาอันกุล น, นะไอยุดิลไอยุดิลอ่ารอบนึงไอย ill, อุดิลลูกะว่ามายุดิลลูนะอิลลาอันฟุสะฮุม ว่าไม่จะรรนกันมีชัยว่ามายะรรนกันมีชัยน่ะเห็ไหมเกือบเกือบเลยสถานีอ่การหยุดนะครับเราสามารถอดีิสกูลเนี่ยหยุดได้ยาว ก็ได้หรือจะหยุดสั้นก็ได้เหมือนมันทำดีอะไรทีร่โ บ, บินอาละมีนเนี่ยสั้นก็ได้สี่ก็ได้หกเลยก็ได้อ่าค่านี้กีก็เจ้ายาวนิดหนึง่งส่วนมินเนี่ยอย่าลืมหน่วงเสียงนะมินมิชัยแล้วก็ปิดท้ายด้วยตัวฮัมซะชัยอ่าไม่ใช่ใชัยอย่างเดียวนะบางคนชัยแล้วก็หายไปเลยเหมือนต้องมีอะไรด้วยมีเสียงฮัมซะอนิดหนึง่งชัยเนี่ยอ่า وَمَا َ่า ي َُ่รุน ن َ ك َ مِنْ ش َ ي ْมٍ و َ أ َ ن ْ ز ิ ل ช ا ل ل َّอُ ع ล ل َ ي ْ ك َ الْكِتَابَ คَ ا ل ْ ح ِ ك ْ م َ ة ม แَะอัลลอฮฺ عليه ا ل ل ا م ว่าอัลลอฮฺใَ้คุณรู้และรับรَู้ละสอนคَ م สิ่งที่คุณไม่รู้และสอนคุณสิ่งที่คุณไม่รَ้และสَนคَุสิ่งที่ค ลุลลอฮิ عليك عظيما و ك อ่ามาดูความหมายนะครับมาดูความหมายนะเอ่อทั้งหมดสี่อายะสามอายะแรกเนี่ยพี่น้องครับเป็นการพูดถึงความ เมตตาของอัลลอหนะ์ س ب ح ละหัวตาลนะหนึ่งในคุณลักษณะของอัลลอ์ก็คือผู้ทรงให้อภัยคนเราจะมีเมตตาเนี่ยก็มีส่วนประกอบจากการให้อภัยกันนะอัลลอฮ์บอกว่าวะไมยะมันซูอานะผู้ใดที่กระทำคำวัตสูตรงนี้แปลว่าความชั่วนะผู้ดใดที่ทำความชั่วความผิด เอาหรือยาสลิมนับซะหรืออาธรรมแกตัวเองก็คือทำบาปนะทาความชั่วบางครั้งความชั่วเนี่ยอาจจะเป็นความชั่วที่ไปกระทบคนอื่นด้วยหรือเป็นความชั่วที่ระหว่างเราก็า Allah, ไม่ทบคนอื่นเลยเช่นเราทิ้งละหมาดถามว่าคนอื่นเดือดร้อนไหมคนอื่นไม่เดือดร้อนกับเราหราอกแต่ถ้าเราไปขโมยของเนี่ยอันนี้คนอื่นเดือดร้อนแล้ว หรือไปใส่ร้ายคนอื่นอันนี้คนอื่นเดือดร้อนดังนั้นความชั่วก็จะแบ่งออกเป็นความชั่วที่เป็นทักกุณอาดัมที่ไปกระทบกับคนอื่นอันนี้จะต้องคืนสิทธิ์ตรงนั้นด้วยไม่พ้นนะเตอบัตรตัวอย่างเดียวไม่พ้นต้องต้องไปขอมาอัพหรือคืนสิทธิ์ให้เขายกสิทธิ์ให้ไปขโมยเข้ามาก็ต้องขอเอาคืนไปหรือไม่ก็ขอให้เขายกให้หรือชดใช้ที่มันเสียหายนะส่วนที่เป็นทักกุลล้ออันนี้ระหว่างเรากับล้อเนี่เราขออภัยโทษ ต, ต่อพระ อ, องค์ได้เลย ซุมมาเยสตอรฟิรินลาใครที่ทำความชั่วหรืออาธรรมแก่ตัวเองเนี่ยและเขาก็ขออภัยโทษต่ตออัลลอย์ยจีดิน ล, ลาฮะกอฟูรอรอฮีมาเขาก็จะพบว่าอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงอภัยและผู้ทรงเมตตาวะไมายักซิบบอิสมันและผู้ใดที่แสวงหาบาปกรรมเอาไว้ ผูใดที่แสวงหาความผิดที่ที่เอาล้อใช้คําว่ายักซิตเนี่ยหมายถึงว่าบางคนเนี่ยไม่ใช่อยู่ไม่ใช่อยู่ดีๆแล้วทําบาปนะเจตนาไปหาบาปเลยอ่าตั้งใจไปหาบาปเลยแหละอ่าอยู่ดีๆเนี่ยไม่บาปเราอยู่เฉยๆเนี่ยไม่บาปแต่ตั้งใจออกจากบ้านเพื่อไปทําบาปไปแสวงหาบาปเดี๋ยนี้ก็เยอะเนาะอ่เสียตังค์ไปลงนรกแบบนี้จะพูดอย่างนั้นก็แรงหน่อย เสียพังไปเอาไปลงนรก <c oughs> คืออะไรล่ะอ่าสมมติถ้าเป็นเรื่องใหญ่เลยเอาเสียตังไปทำชีริกนั่งรถนั่งราไปแทนที่จะได้ไปทำอิบาดกกายไปไปขอเจ้าพ่อนั่นเจ้าพ่อนี่ไปขอกูโบนั้นกูโบนี้ <c oughs> เสียตัง <c oughs> แต่ไปทำบาปไปทำไปทาชีริกต่อรออ่าหรือเอาเอาเบาๆหน่อยเอาไปซื้อไปเล่นไปฟังเพลงไปนะไปเรื่อง ไปคดโกงเขาอ่ว่ากันไปเป็นการพนันไปซื้อหวยอ่ซื้อหวยนี่เสียตังนะเสียตังทำบาป <c oughs> ไปแสวงหา <c oughs> เอาเพราะหวยนี่ต้องหาเลขก่อน <c oughs> เแสวงหาบาปกรรมเอาไว้นะครับ <c oughs> ฟออินนามายักซิบูฮูอาแลนัสิแท้จริงแล้วเนี่ยเขาก็แสวงหาสิ่งที่เป็นเป็นภัยแก่ตัวเอง เวลาคนทำบาปเนี่ยมันเป็นภัยกับใครก็ตัวเรานั่นแหละอย่างคนที่มีไปทำความผิดที่ผิดกฎหมายแนย่นอนเขาก็กลายเป็นคนที่จะต้องหลบหลบซ่อนๆมีหมายจับไปปรากฏตัวที่ไหนก็ไม่ได้มีข่าวเมื่อกี้ฟังข่าวขอยืมบัตรประชาชนอันนี้ไม่ได้นะพี่น้องนะบัตรประชาชนนี่ไม่ใช่ขอไปยืมกันปรากว่าไปทำผิด หน้าคล้ายกันเพื่อนหน้าคล้ายกันก็เอาบัตรประชาชนเพื่อนให้เรียบร้อยเพื่อนติดคุกอ่านี่ติดคุกไปหกสิบวันแล้วนี่เขากาลังช่วยกันอยู่ไอ้นี่กระใจดีให้ยืมบัตรประชาชนนะแต่ว่าขั้นตอนเขาจะมีปั้มลายมือแต่ว่าเอกสารมันก็สําคัญแต่ลายมือไม่ตรงกันเดี๋ยวเขาก็จะไปเคลียร์นะอ่ะที่บอกก็คือว่าใครที่แสวงหาบาปเอาไว้ทําบาปเนี่ยก็เท่ากับ กำลังพาภัยมาสู่ตัวเองอัลลอฮ์บอกว่าวาการัลลอฮฺอาลีมันฮากีมาอัลลอฮ์ทรงรอบรู้และทรงปรีชาญาณวาไมยักซิบคอตีอัตันเอา อ, อิศมันและผู้ใดที่สแสวงหาความผิดนะคอตีอะแปลว่าสิ่งที่เป็นความผิด เอาอิสมมนเอาอิสมมนบอกไปแล้วก็คือบาปไปทำบาปนะซุมมยัรมีบีฮีบารีอันแล้วเขาก็พยายามที่จะโยนบาปให้กับคนอื่นแล้วเรามักจะใช้คำว่าแพะใช่ไหมไม่รู้ไปเกี่ยวอะไรกับไรู้แพะรับบาปเออเอาคนบริสุทธิ์โยนบาปให้เข้าไป ซึ่งอันนี้เราเคยแปไปครั้งนี้แล้วแล้วขโมยเสื้อกเกาะไปพอเขาจับได้เอาไปยัดไว้อีกบ้านหนึ่งเลยเขาก็ตามมาปรากฏวันนึกไว้บ้านนี้เป็นคนขโมยนะก็โดนคดีกันไปไอคนนั้นก็ลอ ย, ลอยนวลไปอลัลลอฮบอกว่าใครก็แล้วแต่ที่ทำบาปแล้วพยายามโยนบาปตัวเองเนี่ยให้ไปสู่คนที่เขาบริสุทธิ์เขาไม่เกี่ยวข้องนะหาแพระรับบาป ฟักอดิหตามาลาบูตานันวาอิสมันมูบีนาะและแน่นอนเขาก็จะแบกความทิดและบาปกรรมอันชัดเจนเอาไว้แปลว่าบาปมันไม่ได้ไหลไปหาคนคนนั้นหรอก <c oughs> มันก็อยู่ที่ตัวเราเหมือนเดิมนั่นแหละแต่แค่ว่าในดุนยาเนี่ยเขาอาจจะรอดอเพราะว่ามีคนมารับไปไอคนนั้นก็กลายเป็นคนถูกอธรรมไปกลายเป็นบาปสองสองเด้ง เด้งแรกก็คืออันแรกเลยกรณีแรกคือตัวเองทาอันที่สองบาปาอันที่สองที่เพิ่มขึ้นก็คือไปโยนบาปให้กับคนบริสุทธิ์ใช่ไหมไปโยนให้กับคนบริสุทธิ์นี่โดนสองเท่าอัลลอฮฺบุญจ์บอกว่าอิสมัมมูบีนะอันนี้ชัดเลยกลายเป็นบาปที่ชัดเป็นภาระที่หนักอึง้งนะต่อมาอายะที่สิบาอัลลอฮฺบอกว่าเราละฟัดลลอฮีอาเลกาวารฮ์มะตูฮู และหากไม่มีความกรุณาของอัลลอ์และความเมตตาของพระ อ, องค์เจ้าแล้วนี่แน่นอนนะแน่นอนเดี๋ยวต้องมาดูนะพอพูกไหนละฮัมมัตต์อิฟตุมมินหุมไอ ย, ยูดิลูกัวามายูดิลูนะอินละอันฟุสะหุมแน่นอนว่ามีคนกลุ่มหนึ่งเนี่ยจากพวกเขาจะมุ่งให้พระเจ้าเนี่ยหลงผิดไปแต่พวกเขาก็จะไม่ทำให้ใครหลงผิดได้ คนคนหนึ่งเนี่ยมามาพยายามยั่วยุเราชักชวนเราไปให้ไปทำความผิดถามว่าถ้าเราใจแข็งไม่ทำสอย่างหนึ่งเนี่ย ม, ม, มันจะมีมันจะมีมันจะมีอำนาจอะไรมาบังคับเราเพราะาถ้ามันบังคับเราเราก็ไม่บาปอีกเพราะศาสนาบอกว่าเอลลารอดจะไม่เอาบาปอยู่สองกลุ่มสามกลุ่มด้วยกันหนึ่งคนที่ลืมถ้าลืมไปทา อันนี้ไม่บาปอันที่สองคนทําโดยที่ไม่รู้จริงๆผิดพลาดโดยสุดวิสัยไม่รู้จริงๆเลยยกสดเข้าไปใครไม่รู้ผสมเหล้าเข้าไปกินไปละสองอึกอันนี้ไม่มีนะไม่มีใครผสมเหล้านะสมส ม, ส ม, สมติเฉยอ่าก็ชงกาแฟมาให้อาจารย์เอ๊ะจะทําไมกาแฟนี่มันขมเว้ยอ๋อใส่ใส่เหล้าเข้าไปตาเริ่มแดงแดแปรเริ่มไม่ตรงแล้วแปรเริ่มลิ้นพันกัน ไปรู้อีกทีนึงว่าอ๋อเขาใส่สูดาลงไปโอ้อาจารย์ไม่บาปนะเพราะว่าไม่รู้จริงๆไม่ได้ตั้งใจอันที่สามถูกบังคับเลยเอาปืนจี้เลยไม่กินยิงหัวอย่างนี้เราก็ต้องกินอ่าแต่ว่าใจเราต้องปฏิเสธด้วยนะโอ้ยแจ๋วเลยจา่าอะไรอ่งี้ไม่ได้ใจปฏิเสธแต่ว่าที่ต้องทําเพราะถูกบังคับไม่ได้ชอบนะแต่ถูกบังคับนะดังนั้นถ้าเราไม่ได้ถึงขั้นถูกบังคับเนี่ยเราจะไปโทษในคนชวนไม่ได้ อ่าเพราะอัลลอฮ์บอกแล้ว่ากลุ่มหนึ่งคนใดเนี่ยจะพาคนไปหลงผิดเขาไม่มีอำนาจขนาดนั้นหรอกเขาแค่เชิญชวนหรือชักชวนเท่านั้นส่วนคนที่จะทําให้หลงผิดก็คือตัวของเรานั่นแหละที่เราใจอ่อนแพ้ภัยตัวเองนะแพ้ใจตัวเองแพ้นับสูตัวเองและอัลลอฮ์บอกว่าวามาย่าดูรูค่าดูรูนะกามินชัยอิน และพวกเขาก็จะไม่ทําอันตรายใดๆแก่พระเจ้าอย่างหนึ่งอย่างใดได้คนเราเนี่ยมันอาจจะโกรธกันพี่น้องชวนไปทําผิดแล้วเราไม่ไปด้วยแต่ถามมาชวนสิบครั้งไม่ไปสิบครั้งเดี๋ยวมันก็เลิกชวนแต่แม่แต่มันก็คมไม่มาเผาบ้านนรกอัลลอฮ์ช่วยเหลือนะและอัลลอฮ์จะและอัลลอฮ์ก็ทรงประทานว่าอันซารลรออัลลอฮ์ประทานอะไรมาอะไรกันกี่แทบ ประธานกุรา่าอานมาให้ว่าฮิกมะและก็ในกุรอ่านมีอะไรด้วยมีฮิกมะมีวิทยาปัญญามีความรู้ที่อยู่ในกูรอ่านกุรอ่านไม่ได้เป็นแค่การอ่านเป็นอิบาดรดาเฉยๆแต่มีความรู้อยู่ในกุรอ่านด้วยอย่างที่เรากําลังศึกษากันอยู่นะวะและมังกามาลำตะกุนตะลำและสอนเจ้าก็คือสอนนบีมาฮัมให้ รู้ในสิ่งที่ไม่เคยรู้มาก่อนเช่นเดียวกับพวกเราหลายๆเรื่องเราก็ไม่รู้นะไม่รู้แล้วเราก็มารู้จากอันกุรอานอ่าแต่เวลาครูเขาสอนศาสนาน่ยพี่น้องเขาก็ไม่ได้บอกว่ามาจากกุรอานทั้งหมดนั่นแหละแต่จริงๆมันมาจากกุรอานทั้งหมดที่เขาเอามาสอนเนี่ยอ่าแต่เขาก็เอามาสอนนี่ละมานี้ๆๆๆๆที่นะ่ยแต่ว่าละมา น, นก็มาจากอะไรมาจากคำสั่งในกุรอานและก็วิธีการจากท่านะบีพูด ง, ง่ายๆก็คือว่าศา ส, สนาเนี่ยอัลลอฮ์ได้ ส่งกุรอานมาแล้วก็ให้มีนบีมาเป็นตัวอย่างด้วยมาสอนด้วยอัลลอฮ์บอกต่อว่าวก้าณัฟต์ลุลลอฮีอัไลกะอัลีมาและปรากฏว่าความกรุณาของอัลลอฮ์เนี่ยที่มีแก่เจ้านั้นน่ะเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากเป็นเรื่องที่ใหญ่หลวงมากนี่คือความกรุณาของอัลลอฮ์สุบฮานะหูวตาล่ะคราวนี้มีฮะดีสบทหนึ่งอ่าก่อนจะเข้าะดีเนี่ยเขาอธิบายนับีอินมุกซีบอกว่า นี่คือความการุณาของอัลลอ์และความใจดีของพระองค์ใจดีกับใครใจดีกับคนที่กลับเนื้อกับตัวครับไม่ใช่ใจดีกับคนที่ยังทำบาปอยู่นะแปลให้ถูกนะโอ้ยมันทำชั่วอัลลอฮ์เมตตามันไม่ใช่ลนะอัลลอฮ์จะลงโทษมันแต่สิ่งที่มีความเมตตาอยู่คือยังไม่เอาชีวิตมันเท่านั้นเลยใช่ไมยังมียังเปิดโอกาสให้กลับเนื้อกับตัวได้แต่ถ้ายังไม่กลับตัว ก็ยังไม่มีประโยชน์ก็ยังไม่มีประโยชน์อะไรแต่ถ้ากลับเนื้อกับตัวเมื่อไรอัลลอฮ์พร้อมที่จะให้อภัยยิ่งกว่ามนุษย์อีกนะมนุษย์เราเนี่ยบางทีเรารู้ก็ไม่ไหวเหมือนกันนะทำผิดซ้ําแล้วซ้ําอีก เ, เราก็มีโกรธแต่ว่าอัลลอฮ์ไม่มีเลยพี่น้องถ้าบาวของพระองค์ตั้งใจจะเปลี่ยนแปลงตัวเองล้างให้หมดเลยทุกคนเนี่ยว่าทุกคนเนี่ยต้องการจะกลับเนื้อกับใจต่อพระองค์พระองค์ก็ทรงรับ ไม่ว่ามันจะเป็นความผิดอะไรก็แล้วแต่แม้กระทั่งคนที่ทำชีริกถามว่าถ้าทำชีริกและเตาบัดตัวอัลลอฮ์รับไหมรับนะคนที่เคยนับถืออย่างอื่นมาวันหนึ่งมารับอิสลามอัลลอฮ์รับเลยนะอลัลีอบราฮิมตน้นอับีตนันฮะบอกว่าอิมนุอับอบาสบอกว่าอยายะนี้เนี่ยอัลลอฮ์ได้บอกให้เรา ทราบว่าพระองค์เนี่ยทรงยกโทษและเป็นผู้ทรงใจบุญและใจกว้างและความเมตตาและการใ ห, ให้อภัยของพระองค์แม้กระทั่งบาปใหญ่ๆก็ตามบาปเล็กบาปใหญ่พระองค์ให้อภัยทั้งหมดนะหรือบาปนั้นเนี่ยมันจะใหญ่กว่าบรรดาชั้นฟ้ามีอะไรใหญ่กว่าฟ้าอีกพี่นอ้องไม่มีแล้วเพราะฟ้าเนี่ยมันคุมโลกเราหมดใช่ไหมเขาบอกว่าบาปจะใหญ่เท่ า, าชั้นฟ้าหรือจะมากเท่ากับพื้นแผ่นดิน หรือจะใหญ่โตเป็นภูเขาเรากาพระองค์อัลลอฮ์ก็ให้อภัยท่านอาลีได้รายงานบอกว่าเคยได้ยินสิ่งที่ท่านรอซูลได้กล่าวที่อัลลอฮ์ให้เป็นประโยชน์แก่ฉันตามที่พระองค์ทรงประสงค์สิ่งนั้นเป็นประโยชน์แก่ฉันและฉันเนี่ยก็ไปเล่าและอบูขอโทษดิและอาบูบักก็เล่าให้ฉันฟังด้วยคือนบีเนี่ยพูดกับท่านอาลี ก็เพราะว่าท่านอะลีนี่เขาเรียกว่าคนในในบ้านในครอบครัวท่านอุบัรนีิก็เป็นพ่อตานะ<ม>และท่านอุบัติก็ได้รับคําพูดนี้มาจากท่านท่านนาบีด้วยตรงกันบอกว่ามีผู <c oughs> ้ที่พูดจริงมีสัจจะบอกว่าท่านรอสูสลสโลลลอฮวาและฮิวสันลมก็คือท่านอุบัก็เล่ามาต่ออีกทีหนึ่งบอกว่าท่านนาบีบอกว่าแม่มินมุสลิม ยุสเนบูดันบันไม่ว่ามุสลิมคนไดที่ทำบาปซุ่มมหลังจากนั้นเอียต a วบ w อเขาก็ไปอามน้ำละมาดเฟยูซ a นลีร็อกกะรกอตีนและเขาก็ไปละมาดสองร a อกกะซุมมหลังจากนั้นเอียสต i ฟ u l l ล h ลลีเดลิกะดันบ และเขาก็นั่งขออภัยโทษกับบาปที่เขานั้นได้ไปกระทำนะอิลลอฟาร์ละฮูเว้นแต่อัลลอ์นั้นจะให้อภัยเขาอ่คำถามเนี่ยฉันอ่านทาดิสบทนี้เนี่ยพี่น้องรู้ไ้ยเรื่องอะไรละมาดอะไรเนี่ยละมาเตาบ้าละมาอิสติฟ้าแหรือละมาเตาบ้าเนี่ยเขาเรียกละมาดเตาบ้าอันนี้สำหรับคนทำอะไร ทำบาปคือประเด็นก็คือว่าเราไปทำบาปมาสักอันหนึ่งแล้วรู้สึกผิดมากเลยคือปกติคนเราเนี่ยนะมันก็ถ้าเป็นบาปเล็กๆครับมันก็จะไหลไปกับน้ำละหมาดอยู่แล้วแต่อาจจะมีสักอันหนึ่งที่เรารู้สึกแบบแบบวับนนี้เราพลาดไปแล้วแล้วมันติดใจมันรู้สึกไม่สบายใจเลยเอ่าบางคนมีนะนอนไม่หลับเลยเออเขา ขอร้องให้เราทำแล้วเราก็พยายามแล้วแต่แพ้ภัยตัวเองสุดท้ายกระจอ่อนไปกับเขาเอาเรื่องอะไรดีผมก็ไายุ่งจะนึกอะไรนะ <c oughs> ไม่เชี่ยวชาญ น, นึบาปเท่าไหร่อ่าอ่าผู้หญิงผู้ชายแล้วกันดูดูเหมือนจะคดีวัยดีว้ไฟดีอ่าผู้หญิงนะตอนแรกก็ปฏิเสธทุกวันนั่นแหละนี่เอ้ยแต่บางคนนี้เขาอ่อแล้วเกินนะเขา่อนะลูกเอ้ ทำใจไม่ได้วันนี้ก็เลยกุกกิกกันคุยกันไปคุยกันมาแล้วแอบไปเจอปากซอยซะด้วยแม่กลับมาถึงบ้านมองหน้ามะโอ้โหธรรมะรู้แล้วก็ตายแน่เลยฉันนะมองดูแลของวงจรไม่มีเข้าไปในห้องอ้าอาจารย์แปลพอดีเลยเสียใจมากเลยบอกเบอร์บ็อกไลน์แล้วไอ้นี่ไม่รักเราจริงถ้ารักเราจริงต้องมาบอกยอกเรา อ้นี้มันแอบตีท้ายครัวาคดีไดเรกไม่เซตเข้าตรงหาเซตไดบ็อกเลยออนลหอฉันยังไอที่ไอ้นี่ไม่ใช่ว่ายังเพ้อกับคำพูดผู้ชายนะไม่ใช่นะเสียชัยอ่อนล้อไม่น่าเลยฉันพลาดไปแล้วเมื่อกี้ไปอาบน้ำละหมาดเลยอาบน้ำละหมาดเสร็จแล้วละหมาดสองรอบอะแล้วถ้าดีเนะี่ยร้องไห้ด้วยยิงดีเลยร้องไห้กับสิ่งที่เราทาบาปไป อ้อนา้องให้อภัยแล้วเขาเลยละหมาดเตาบ้าอ่าแต่คนนี้บางคนเนี่ยทําทุกวันอันนี้เฉพาะกรณีไงไม่ต้องทําทุกวันเหมือนกระนั้นี่ยไปทําบาปอยู่ทุกวันเลยจริงๆก็มีบาปทุกวันแหละแต่มันถูกล้างด้วยกับอะไรล้างด้วยกับอาบัติที่เราทําอยู่แล้วแต่เนี่ยมันสําหรับคนที่ยังติดใจอยู่อ่ะมันจะมีสักอันหนึ่งที่มันยังติดใจอยู่แล้วเราเผลอไปทําหรืออาจจะใจอ่อนไปทํานะ เราเนี่ไม่เคยแย่ขนาดนี้ในวันนี้อ๋อเพื่อนมันชวนเราจนกระทั่งเราไปเผลอดื่มสุราไปแล้วก็เลิกได้อย่างเงี้ยนะแล้วเราต้องการจะขอพยโทษทำไงละหมาดเตอบ้านนะครับหรือคนที่ต้องการกับเนื้อกับตัวเลยนะมีนะพี่น้องผู้ชายคนหนึ่งที่ไม่เคยละหมาดเลยคือละหมาดตั้งแต่ตอนเป็นหนุ่มพออายุมากทํางานไม่ละหมาดวันหนึ่งลูกที่เรียนปะน๊อ เข้ามาบ้านมาเยี่ยมนะก็เห็นไฟลูกเนี่ยังยังอะไรนะยังเปิดอยู่ตีตสี่ตีสามครึ่งไฟลูกก็กลัวว่าลูกจะเปิดไฟตัวเองพึ่งไปเที่ยวมากลางคืนมาอร่อยคนไม่ล่ะ <Yeah. S 1> ไปเที่ยวกลางคืนมามาเคาะประตูปรากฏว่าสิ่งที่ได้ยินก็คือลูกอ่านกุฎอ่านอยู่ขออุดมอาขออุดมอาให้พ่อกับเนื้อกับตัวเป็นคนดี ขอดูอาให้พ่อกับเนื้อกับตัวเป็นคนดีและละหมาดขอดูอากอลล็อปเปิดประตูไปเห็นลูกกําลังละหมาดอยู่ขอดูอาอยู่พ่อน้ําตาไหลน้ําตาร่วงกลับไปถึงก็ทําอะไรอยู่แล้วก็กลับเนื้อกับตัวเลยเลิกเลยนะอันนี้อันนี้เรื่องจริงนะพี่น้องโทรมาเล่าให้ฟังบางครั้งความดีงามเนี่ยบางทีเราคิดไม่ได้แต่เราไปเจอคนที่เขารักเราคนที่เป็นลูกทําและขอ คือคนที้เป็นลูกไม่น้องไม่เหมือนมะป่ามะป่าเนี่ยยังมีอำนาจในการที่จะจะลงโทษได้แต่พ่อแต่ลูกเนี่ยมันเป็นความทุกข์อย่างหนึ่งคือมันไม่สามารถจะไปตียอตีมะได้มะไม่คุมหัวนี่ฉันอยากจะฟาดมะจังเลยไม่ได้เ <c oughs> ดี๋ยวไหมแต่ทำยังไงละ่ะเราก็ต้อง <c oughs> ขอดูอาการรอดนั่นแหละแล้วก็พยายามบอกมะ <c oughs> อ้ะให้กําลังใจม้านะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเขาชมเนี่ยเนี่ยลูกเรียบร้อยมะอย่าใช้มะเรียบร้อยแบบฉันบ้างอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวมะเอาไว อ่ะอันนี้คือละหมาดเตาบาครับอ่าละหมาดเตาบาอยู่ในอะติสหลังจากนั้นนบีก็อ่านวะมัยยะมันซูอันเอายัสลมนับซะนี่แหละอ่านอายะนี้แหละจากอะติสบทเนี้ยนบีก็อ่านอายะที่หนึ่งรสิพี่น้องจําเลยนะร้อยสิบในสุรนิซะอ่ะอาอัลลอฮ์บอกว่าไงพูดใดที่กระทำความผิดความชั่วอธรรมกับตัวเองและเขาขอพะยทโทษต่ออัลลอฮ์แน่นอนเขาจะพบว่าอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรง อาพยโทษและทรงเมตตาเขาเสมออ่านี่แหละว่ามายะมันซูอันเนี่ยอายะนี้แหละที่เป็นอายะที่มาของการละหมาดเตบาบานะและ อ, อายะหนึ่งก็คือว่าลดีนาเฟอิราฟาอาลูฟาฮิชตันเอาโซลามูนับมีสองอายะนะต่อมาอีกอันหนึ่ง <c oughs> ที่อันที่ออลบอกว่าไม่มีใครรับบาปแทนกันได้ อายาเนี้ยพี่น้องครับเป็นเหมือนกับเป็นกฎเกณฑ์เลยนะวาลาตาซิรวาซีรอเตวิสรอ อ, รอุกรอก็จะยกอายานี้เยอะเลยแปลว่าไม่มีผู้แบกภาระคนใดที่จะแบกภาระของคนอื่นได้แบกแทงกันไม่ไ ด, ในนไดนะ้ใครทำคนนั้นได้นใครทำคนนั้นได้ใครทำบาปคนนั้นก็รับไป อ่าแต่คราวนี้หมายความว่าไอ้คาว่ารับบาปคนอื่นเนี่ยไม่ใช่แต่ถ้าเราเป็นคนแนะนำให้คนเขาทําบาป เ, าเราโดนด้วยแต่ไอ้บาปที่คนทําเขาก็เขาก็โดนเหมือนเดิมนั่นแหละแต่ไม่ใช่โอนบาปมาไม่ใช่แต่เราเนี่ยเพิ่มบาปเข้าไปจากการที่เราเป็นคนแนะนําเขาแล้วในกฎหมายเนี่ยพี่น้องนะ่กฎหมายเขาก็เขียนเอาไว้ว่า ต่อให้เราเนี่ยไม่ได้ขโมยแต่เป็นคนอำนวยประมสะดวกถ้าอยากอำนวยความสะดวกไขกุญแจให้หมดเลยนะสะดเดาะกุญแจให้แต่ไม่ได้ขโมยนะไปช่วยเขาช่วยโจรให้ขโมยชี้ช่องทางเนี่ยเวลาตำรวจเขารวบเขารวบไปด้วยนะเคาเาร่วมมือพวกตัวการตัวการในการทําความผิดตัวตัวการในกระทําความตัวช่วยเหลือในการทําความผิดนะครับก็จะมีมีโทษติดคุกเหมือนกันแต่ก็จะเบาก่าไคนที่ไปขโมยอ่า แต่ว่าประเด็นคือต้องม่อยู่ส่วนไม่ร่วมมาไขกาุญแจอย่างเดียวและก็ไปเลยแต่ถ้าอยู่เฝ้าประตูด้วยอันนี้โดนเหมือนกันหมดอ่านี่เฉันพดีจัดในการกับนกันกกฎหมายเขาก็บอกอ๋อแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวคืนนี้จะมาขโมยนะอาจารย์มาไขาประตูให้หน่อยได้จ่ะมาไขาให้ไม่รู้เรื่องอะเขาขโมยกันบบเรียบร้อยแนละ้วมาถามํารวจถามไขๆกัประตูอ๋ออาจารย์เป็นคนไขให้แล้วรู้ไหมรู้รู้กันด้วยว่าเขาจะมาขโมยโดนด้วยแต่โทษเบา ก, ากว่า ดังนั้นตรงนี้เนี่ยจะเอาบาปของเราไปให้คนอื่นไม่ได้ยันพ่อแม่เนี่ยต่อให้เป็นพ่อแม่นะลูกแล้วมันชั่วเหลือเกินฉันก็พยายามสอนด้วยความรักของคนที่เป็นแม่เป็นพ่ออย่าเอาละฉันขอรับบาปแทนลูกได้ไหมได้ปะไม่ได้นะ่ะไม่ได้แต่ถ้าจะขอ อะไรนะขออภัยโทษอีเรื่องหนึ่งขออภัยโทษให้ลูกได้แต่จะขอรับบาปที่ลูกทำเนี่ยมาใส่ตัวเองเนี่ยไม่ได้เข้าใจหมหรือเหมือนกันลูกเห็นใจย่อมะมากเลยเอาบาปของย่อมะมาใส่ฉันและให้มะสบายเข้าสวรรค์ไม่ได้เพราะไม่มีการแบกบาปใครบาปมันบาปใครบาปมันแต่แน่นอนในดุญยาพี่น้องเราจะใช้อันนี้ไม่ได้นะเพราะอะไรเพราะเราต้องทาหน้าที่สอนบอก แต่ในวันกียามาเนี่ยเขาเรียกนับซีนับซีตัวใครตัวมันแล้ววันนั้นลูกแม่ก็ช่วยเหลือกันไม่ได้นะครับเป็นพ่อเป็นแม่เป็นจะมีความสัมพันธ์ยังไงในดุนยาช่วยกัน ไ, ได้แต่ในดุนยาในไอ้คืเราช่วยกันแต่ในดุนยายังต้องไม่พดไม่พ้นอมามันนะถ้าไม่ทําหน้าที่ในการเตือนในการบอกเราก็บาปไปด้วยนะแต่ไม่ได้รับบาปเข้ามานะที่บาปอันนี้เป็นบาปจากการที่เราไม่บอกไม่สอนลูกเราแต่ลูกทําบาปยังไงเหมือนเดิมทุกอย่าง เราไม่ได้เอาบาปของลูกมาแต่เราจะบาปเพิ่มจากการที่เราไม่เตือนไม่บอกไม่สอนไม่ทำหน้าที่คุณพ่อคุณแม่ที่ดีนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะสุดท้ายแล้วเนี่ยพี่น้องครับอัลลอะ์ปิดท้ายนะว่าจะมีใครจะมีบุญคุณไปมากกว่าอัลลอฮ์อีกอเพราะว่าอายะที่อัลลอฮ์บอกว่าวะลาอัลฟุตลุลลอฮิอะลเลกอวร์มะตูหูถ้าไม่มีความ โปรดปานความกรุณาความเมตตาของอัลลอ์แล้วก็ย้อนกลับไปตั้งแต่อายะที่ข้างบนเลยว่า<ม>ถ้าอัลลอ์ไม่ให้อภัยโทษกับพวกเราเลยนะโอ้โหไม่รู้จะเต็มนรกกันยังไงเต็ไมไปหมดนะดเพราะว่าคนเรามันทำบาปทำชั่วกันได้ถ้าหลงผิดไปแล้วกลับเนื้อกลับตัวไม่ได้อัลลอ์ปิดเลยปิดประตูเลยจบเลยพวกเรานะโดนกันหมดแน่นอน<ม>แต่นี่คืออัลลอฮ์ทรงเมตตาจะบาปขนาดไหนจะชั่วจะเลวขนาดไหน ถ้าตั้งใจเปลี่ยนแปลงตัวเองกับเนื้อกับตัวเอาล็อพร้อมเสมอในการที่จะให้อภัยนี่คือความเมตตาของอลอที่ยิ่งใหญ่นั้นฉันเคยบอกไว้แล้วว่าซูรอนีซาเนี่ยจะมีอยู่กี่อายะที่ว่า <c oughs> เป็นเหมือนกับว่าเ ป, เป็นความสุข ข, ของผู้ศรัทธาเมื่ออ่านปับ๊บอัลลอฮ์อัอลลอฮ์เมตตานะเป็นความสุขสําหรับคนที่เห็นคนทําชั่วว่าไอคนทําชั่วเนี่ยมันยังไม่ตายน่าแสดงว่าโอกาสในการตาบัตตัวมันก็ยังมีอย่าพึ่งไปด่วนสรุปอาจจะ เปลี่ยนแปลงตัวเองในช่วงสุดท้ายของชีวิตก็ได้นะแต่ก็ไม่ได้เห็นดีเห็นงามกว่การทำบาปนะะเราต้องต่อต้านนะแต่ในมุมหนึ่งก็คือว่ายังมีโอกาสในการเปลี่ยนแปลงตัวเองได้นะครับออ่านต่อนะ b i ส a อกข้อ l ะกันนะละก็เดี๋ยวละอุ้มอุ้มอุ้มอุ n มอุ้มอุ้มอุ้มอุ้มอุ้มอุ a มอุ้มอุ e มอุ้มอุ้ w อุ้มอุ้ม m a n Amar มอุ้มอุ้มอุ้ม h a ้มอ อิลลัมันอามารบีโซดาคอบีโซดาคอหายใจลึกๆละคอยรอฟีแคสซีริมินจ์วะฮุมอิลลัมันอามารบีโซดาคอ อิลลามัน أمر ับี صادقات ิน أو معروف ิน أو إصلاحيم بين الناس อิลลามัน أمر ับี صادقات ิน أو أو إصلاح بين الناس إلّا من أمر بصدق أو معروف أو إصلاح بين الناس บางเล่มเนี่ยนะบางคนดูไม่ออกอิสลาบางคนตัวดูเหมือนตัวยิมนะไม่ใช่ยิมนะเขาเขียนมีมไว้ข้างล่างมรรู้เขียนปาก ข, ของฉันเขียนมีมไว้ข้างล่างนะก็คืออิสลามเป็นอักษรซ้อนนะเปลี่ยนเป็นมีอ่านปิดปากกันเลอิสลามฮิมใบั as, นะนนัสนะอ่าตรงนี้อ่านอ่าน ต้องต้องอ่านให้ถูกนะอิสลาิมไปคนไปเจอนู่ว่าตัวยิมอิสลามไม่ไม่ใช่ <c oughs> อ, อีกรอบหนึ่งนะอิลลาอิลลามันอามารบิ ص ก د ق ا ت อามารูฟอาอิสลามัยนันนาส ว่าไม่จะทำเด้ออ่ะขอโทษยัฟอันขอโทษทีว่าไม่จะทำเด้อ ใช่แล้วนะอีกครับอีบแต่ว่าอ่านไปที่ตัวบาว่าไม่ฟัง ذ ل ك ب ت ي ق و أ م ر ض ร ت ا ل ل ه ล่าไม อีกรอบนึ่งว่าไม่ฟังอันใดกับติรอ أمر ل ติละว่าไมَฟังอันใดกัْติรอ أمر َّ ه ล ف َ س َ و ْ ف ฟนุ ตีฮิอจรอนอาซีมาฟาซาวฟนุีฮิอาจรอนอาซีมาฟซาวฟนีฮิอจรอนอซีมาตงคูดาละกันนะ ยูชาคิกรสุลว่าไม่ยَูาคิกรสุลไม่จากไปแต่เบียน่าให้หัวใจ อ, อีกรอบหนึ่งนะยูชากีกิกีกรินะครับตัวกอฟสองตัวนะยูชากีกิรเข้าไปที่ตัวรอเลยกีกิรกีกริส ว่าไม่ยุ่งยากกับรัศดล์มิ่ง ل ัดดิมาทับยันลาหุดะ วَยต تبع غير سبيل ل ْ م ؤ م ن ي ن ولهما تولا َ วยต تبع غير سبيل المؤمنين والهي مت ولا ลิฮิจหันน้ำวสัยอัตมาศิราวนุสลิฮิจหันน้ำวสัยอัตมาศิราวนุสลิฮิจหันน้ำ วสัยอัตมาราวัยอัตมาราอ่ามาดูความหมายนะครับลาคอยรอไม่มีความดีใดๆใครอะฟีกาซีรินนะไม่มีความดีใดๆฟีกาซีรินมินนัจวาหุม ah um. ในหมู่ที่พูดแบบ เสียงเบาๆซุบซิบอ่าซุบซิบแบบเยอะด้วยนะกระซิบอ่าป้องหูด้วยกลัว <c oughs> คนได้ยิน <c oughs> โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยซุบซิบเนี่ยมันจะตามมาด้วยอีกคำนึง <c oughs> นินทาใช่ไหมซุบซิบนินทาเพราะเวลานินทาเดี๋ยวกวคนอื่นคนเดี๋ยวเจ้าตัวเขาได้ยินก็เลยต้องเบาเอาไว้ดีมากดีมาก อเออต้องปองมือมึงอย่าไปบอกใครนะแต่ตอดีเลยเคยตอนแรกจะไปบอกใครล่ะเขอบอกว่าอย่าไปบอกใครเท่า น, นั้นแหละโอ้โหให้คันปากยิบเลยส่วนใหญ่จะเรื่องไม่ดีให้มึงอย่าไปบอกใครนะอาจารย์ก็ไปสู่เราไม่มีหรอกอย่าไปบอกใครนะอาจารย์เนี่ยนั่นแอบเป็โอ้โหรู้เลยส่วนใหญ่แล้วไอ้เรื่องซุปซิปเนี่ยมันจะเป็นเรื่อง ไม่ดีโดยเฉพาะเรื่องในบ้านเรื่องในมุง้งเรื่องใต่เตียงซุบซิบนินทากันนะแล้วก็ทําเป็นเรื่องไหนที่มันไม่ได้เสียหายนะพี่น้องนะถามเจ้าตัวคือไม่ใช่เรื่องเอฟเรื่องที่มันไม่ใช่เรื่องตรงไปถามเออถามเจ้าตัวได้อ่าอย่าไปไปไปอะไรนะไปคิดเองไปเต้าเองแล้วสุดท้ายเต้าเนี่ยมันหมายถึงว่าไปปรุงแต่งเองอะ่ะ ต่อไปต่อต่อความยาวไปเรื่อยๆจนสุดท้ายกลายเป็นความทศิศและก็เป็นเรื่องโกหกโดยปกติโดยทั่วไปการซุปซิปเป็นเรื่องที่ไม่มีประโยชน์และก็เป็นเรื่องไม่ดีเลยยกเว้นอินลามอยูสามเรื่องมีอยูสามเรื่องที่ซุบซิปแล้วได้บุญเอออันนี้ต้องซุปซิปกันเยอะๆนะหนึ่ง มันอมามอร์บิสซดากา็ก็คือคนที่ใช้ให้บริจาคกีเนี่ยสุราหลังตรงนู้นเนี่ยหลังาคาก็พึ่งพังกีก็บอกว่าฉันไม่ได้เป็นช่างหลังคาหมายถึงม่ช่วยบริจาคหน่อยอบอกกันเบาๆเพราะว่าเดี๋ยวบางทีเจ้าตัวเขาก็บางคนเน่ยนะ คือพี่น้องนะบางคนที่เขาเดือดร้อนเนี่ยบางครั้งเขาก็ไม่อยากจะเอาความเดือดร้อนตัวเองมามาโพธนาให้คนอื่นเขาเห็นยกเว้นบางคนที่ขอเป็นอาชีพอีกเรื่องนึง่งอันนี้โพลทุกวัน <c oughs> เข้าใจปะ <c oughs> เอาเอาอะไรเอามาเรียกคะแนนแต่คนจริงๆเนี่ยคนที่โยนที่ยากจนจริงๆเขาไม่ค่อยอยากจะไปขอใครแต่คราวนี้เราไปเจอมาเนี่ย <c oughs> ก็มากระซิบบอกกันได้ว่าเฮ้ยเขาเดือดร้อนอยู่นะมีอะไร พี่น้องเชื่อไหม ม, มีมีเพื่อนฉันแกก็พึ่งมาเจอวิกฤตคือดูตามเฟซเนี่ยดูไฮโซด้วยแม่ทำงานต่างประเทศกินอาหารแพงกันนะแต่รูปเก่านะอ่าคือไลฟ์สไตล์นี่ดูคนมีตังค์อ่ะเพื่อนมาบอกอีกที บ, บอกว่าเฮ้ย hey, รูไหมไอ้ท่านนันภาพลงตาท่านนั้นเลยนะตอนนี้ไม่ใช่อย่างนี้แล้วเอาอยัางไงอะ่ะ มะป่วยติดเตียงน้องชายก็น้องสาวก็ป่วยอีกคือตอนตอนเนี้ยคือเป็นคนเดียวที่หาเงินเลี้ยงดูทั้งบ้านเอาหล่อฉันบอกมางี้ีิฉันมีข้าวสารอยู่ตอนนั้นรับดูแลเรื่องฟิตรยาฟิตรอ้อก็บอกขนไปเลยแล้วไม่ต้องบอกนะว่าให้เพราะเดี๋ยวอายเขาก็บอกว่าอย่าไปบอกอย่าไปบอกแล้วก็อย่าบอกว่าฉันให้ด้วยเดี๋ยวมันจะเขาเรียก ว, ว่าบุคคลเราบรรลุจักกันเนี่ยเดี๋ยวมันจะไอะ้ป่วย มันไม่ต้องมาสงสารกูก็ะแดกประมาณเนี้นะแต่ช่วยแบบลับๆไม่ต้องบอกว่าอาจารย์หรืรู้ไหมมึงเนี่ยอาจารย์ให้มาไม่ต้องบอกว่าอาจารย์ให้มาแล้วก็มาเอาได้เรื่อยๆบอกเลยมาเอาได้เรื่อยๆเลยขนไปอ่ามีอะไรเราก็แบ่งไปอ่าแล้วก็บางค น, เ, นเขาก็รู้สึกจะเอาเรื่องขอตัวเองมาโพธินามันก็อายๆมันก็ไม่ไม่ใช่เรื่องต้องมาโชว์อะไรนะไม่เขาจะโชว์ ม, มาบอกก็ให้ช่วยกันแบบลั บ, บๆแบบนี้ ยกเว้นบางเรื่องที่มันเป็นซดกอโดยตรงทําสูเหล่านี้ไม่มีป็นัญหาโพสได้เลยแต่บางเรื่องที่มันเป็นเคสของคนที่เขาเดือดความเดือดร้อนเนี่ยเอาหลอดต่อเอาแผลมาให้ดูเหรอมันต่อเอาถุงเยี่ยวมาให้เห็นอย่างเงี้ยขอมาอัพทีมันมันก็ไม่ใช่เรื่องอะนะช่วยกันแบบลับๆส่งกันในกลุ่มไม่ต้องไปอะไรมากอ่าวริจากันไปกระซิบกันบอกเพราะว่ามันอาจจะทําให้เขารู้สึกไม่ดีก็ได้คือได้เงินกมันดีอยู่แล้ว แต่ว่าไอ้ไอความทุกข์ของเขาเนี่ยมันครั้งเคอไม่อยากให้มามาเวทนานะโดยโดยปกติต่อมาอีกอันหนึ่งเอามารู้กระซิบกันในเรื่องที่เป็นความดีความดีนี่โยโ ย, โยทั้งหมดยีละหมาดกันอ่ายีทาอะไรที่เป็นความดีชวนกันทำความดีอันนี้มีเรียนเหมือนจะไปเที่ยวไหนก็ไม่รู้มันมีเสียงเบาแลยกัน อะไรกระซิบกันได้ถ้าเป็นเรื่องความดีนะอีอันหนึ่งครับอันนี้สำคัญมากนะอิสลามไบดัยนนาสคือประนีประนอมกันระหว่างผู้คนคำว่าอิสลาเนี่ยแปลว่าซ่อมแซมถ้าเป็นมัสยิดก็บูรณะใหม่มันโซมแล้วบันไดมันผุแล้วแล้วคนเนี่ยถ้ามันเกิดทะเลาะกันต้องทำไงอิสลาครับ ไก่เกลียเนี่ยกียใช้ได้มากเลยไก่เกลียทําให้เขาดีกันอ่าจะวิธีไหนเอ้ยกูไม่ได้เชิญมันหรอกอตามเป็นเจ้าภาพเอามานัดคุยกันมาอะไรกันนะและเขาก็ปรับความรู้ความเขาได้ไหได้ปรับใจกันปรับความรู้สึกไม่ดีกันโดยที่เราเป็นอะไรเป็นสาเหตุกระซิบอกไปเฮ้ยเขาฝากสลามมาถึงไอ้วันนั้นเน่ยเขามาบอกกูอนล้อ อย่างเสียใจเละที่ด่าแกไปอ่ะนี่กลับไปได้ในกินไม่ได้นอนไม่หลับแต่ในเฟซบุ๊กผมกินอาหารมาสักทีก็พอเพลอได้เลยไม่อย่าไปโกหกเชื่อเอามาดีพอดีมาดีแบบเอาแต่ดูแบบเวอร์ไปนะอ่ะบางคนบอกอาจารย์อะไรอย่างนี้ไม่บาปเหรอกไปโกหกเขาเนี่ ย, อยเออไปโกหกเขาว่าเขาฝ่าสลามมาเนี่ยอยุออ้มมูกัลละโสมจากอุ้มมุกัลละโสมอันนี้เป็นชื่อคนนะ อ่าอันนี้จะเป็นชื่อคนโบราณหน่อยมีใครมีสุดรุ่นใหม่ๆในชื่ออุมกกนละโซมบ้างไหมไม่มีแล้วต้องรุ่นตะ บ, บานสักหกสิบอัพอ่าแล้วแล้วชื่อเนี่ยเขาดีนะอุมกันโซมเนี่ยเป็นชื่ อ, อ, อลูกท่านนาบีลูกสาวท่านนาบีพอเรามาเรียกซะหมดท่าเลยโซมนีโซม น, ซมนแล้วถามว่านีโซมอย่างออกจากบ้านไหมเนี่ยนี่โซม แต่ยังไงก็ไม่สวยเพราะมเรียกเต็มๆอุ้มกัน z o มอุ้มกัน z o มนะหรือเปลี่ยนชื่อบดีกว่าท่านหญิงอุมมกัน z o มบุตรีของอุบะเป็นลูกสาวของท่านอุกบะบอกว่านางได้ยินท่านรอซูลสุลต่าละฮ์อะเลวัซัลลัมบอกว่าไลซ์เกบไม่ถือว่าเป็นคนโกหกอัลเลียุสลิูไบนันนัส คนที่ไปแต่งเรื่องขึ้นมาหรือโกหกกะเละทํำยังไงแต่งเรื่องขึ้นมาหรือเป็นคนที่ไปไปเป็นคนที่อิสละยุสลียก็คือไปไปไ ป, ไปให้เขาทําอ่ะแต่งเรื่องขึ้นมาว่าว่าเขาดีให้เขาคืนดีกันน่ะพี่น้องฟอมันฟอร์ยัมนีคอยเฟอยัมฟอยันมีคอยรอนเละเขาก็ดีกัน แต่งเรื่องขึ้นมาอย่างที่ฉันบอกอ่ะเนี่ยเขามาบอกว่าเขาเนี่ยแย่เหลือเกินวันนั้นที่พูดจาไม่ดีกับแกไปวันนั้นที่ชอกไปเนี่ยอุ้ยเจ็บมือไปตั้งหลายวันนะอุ้ยเขารู้สึกแย่มากจริงๆไม่มีหรอกแต่งเรื่องเข้าไปบอกให้เขาดีกันบอกฝากสาสลามไปอุ้ยเขาคิดถึงแกนะเขาอยากเจอแกมากเลยไอ้นี่เขาไปบอกนี่นี่ก็บอกนี่และสุดท้ายเขาได้คืนดีกันเอาอย่ากูลรเคสหรือพูดในสิ่งที่เป็นความดี ก็ไม่ถือว่าเป็นการโกหกเราไปเยี่ยมกีคนหนึ่งม่ใช่กีนี่กีนี่แข็งแรงเป็นมะเร็งระยะ4ี่สี่เชื้อกระจายเต็มท้องแล้วลูกสาวเขาบอกมาเข้าไปเยี่ยมถึงปั๊บเลยเป็นไงเนี่ยฉันก็ไม่รู้เนี่ยลูกสาวเขาพามาเอ็กซเรย์ยังไม่รู้เลยเป็นโรคอะไรอ๋อมะเร็งระยะที่สี่กีอยู่ไม่นานหรอกพูดความจริงไง <c oughs> อันนี้ปากเสีย <c oughs> เชื้อกระจายหมดแล้วกีเอ้ยนั่งห่วง ทางบ้านฉันมึงตายหมดโลกเดียวกีเลยเนี่ยมันให้ความจริงบนเลยออกมาเป็นไงยาตเป็นไง <c oughs> เรียกหมอไปประบาดใจด่วนเลยหมดกําลังใจไอ้นี่ปากเสียแต่เขาบอกว่าฉันพูดความจริงนะเพราะหมอบอกมาเรียกนาทีสีเสื้อกระจายแล้วทําใจได้เลยไอ้นี่ปากไม่ดีต้องบอกเขาว่าอ่อนลอดูดีมากเนี่ยแข็งแรงไม่กี่วันกลับบ้านได้แล้ว แต่กลับบ้านสภาพไหนไม่รู้นะเดี๋ยวไม่กี่วันกลับบ้านให้กําลังใจอ่อย <c oughs> ่างเงี้ยไม่บาปไอ้อย่างเอาเนี่ยเอาฉันไปมีกําลังใจแน่นอนนะไม่ต้องห่วงเกลี้ยดีสองวันวิ่งแน่นอนอจริงก็โกหกกันเลยนะแต่พูดให้เขามีกําลังใจไม่ใช่ไปพูดความจริงหมดเลยบางอย่างก็ต้องบอกทําอาหารเหมือนกันเห็นไหมภรรยาเพิ่งทําอาหารมื้อแรกอร่อยฉันขอเลียฝาบ้านเธออีกเนี้ย เนี่ยนี้ไม่ได้นะเดี๋ยวให้เลี้ยฝาบ้านจริงๆก็ต้องบอกไปว่าอ๋อหรอใช้ได้อ่านี่เะมือมือมือใหม่ก็ประมาณนี้อ๋อหรอเนี่ดีกว่าตอนฉันทำครั้งแรกอีกไงเหนได้กาลังใจแต่จริงๆเราทำอร่อยกว่าเยอะมอกอาจาศใจมอกอากาศไม่ได้เราต้องรู้จักพูดในสิ่งเป็นความดีโกหกได้ในบางเรื่องเนี่ยแต่ต้องเป็นเรื่องที่ดีเออ แล้วเล่าต่อว่าอุ้มกันโสมเล่าต่อว่าดิฉันเนี่ยไม่เคยได้ยินท่านหมอซูนจะผ่อนผันให้กับเรื่องโกหกเลยยกเว้นสามประการหนึ่งสงคราม้าใจัยแม่โดนจับไปโอ้ยเราเป็นคนรักษาสัจจะบอกหมดเลยเดี๋ยวผู้นี้เขาจะบุกนะมกกีกองกำลังอยู่ตรงนี้แปบ๊บเดียวพี่น้องคายแตกไม่ได้ต้องโกหกโอนี่ทับเราเนะี่ยมีคนแก่ทั้งนั้นไม่ต้องห่วงนะทานบุกไปเถอะแค่หายใจก็เหนื่อยแล้ว อ่าสมมุติอันนี้ไม่ได้ต้องโกโหกเพราะเรื่องกลยุทธ์ของสงครามใช่ไหมทำเสียงตีอ่า โ, อโหเหมือนไม่มีเยอะจริงไม่มีเยอะหรอกเอาเสียงตีให้มันเสียงดังอะไรเงี้ยท่านน บ, บีใช้หมดเลยนะวิธีการแบบเนี้ยที่อ่านในสามกงสาก๊กเนี่ยนบีเราใช้หมดวิธีการคัยุทธ์วิธีกา ร, การในการาสร้างขวัญกําลังใจนะครับอา้าวต่อมา แล้วก็การโกหกให้คนดีกันและอันที่สามก็คือการที่สามีพูดกับภรรยาและการที่ภรรยาคุยกับสามีบางครั้งก็ใส่สีหยอดไปบ้างนะแต่พอพูดแบบนี้เดี๋ยวก็หาว่าไอ้ที่พูดมาถูกลบมีเรื่องจริงบ้างไหมเนี่ยอะผมบอกคิดถึงปับ๊บนี่เห็นไหมอาจารย์แปลมาบอกโกหกแล้วได้บุญฉันพูดจริงเนี่ยผมก็เอาอย่าโกหกเยอะแล้วกันนะเอาไปบางเรื่องพอ แต่ว่าบนพื้นฐานความจริงเนี่ยอันนี้แน่นอนแต่บางเรื่องเราก็เ้าเรียกว่าให้กำลังใจต่อมาเขาเล่าว่าอุมกะละโสมเนี่ยบุตรตีของอุบาเนี่ยเป็นสตรีคนหนึ่งจากการอพยพไปให้สัตยาบันคนนี้เป็นใครรู้ัหมเป็นคนที่ให้สัตยาบันเป็นคนที่อยู่มดีนนแนน เ, เล็กก็อพยพไปให้สัตยาบันกันนบนบีตั้งแต่ตอนที่นบียังไม่อพยพมาเลย มันเรื่องบางทีมันมีเรื่องตัวเองเยอะหรือเปล่าใจเย็นนะเดี๋ยวค่อยคุยกันเรื่องตัวเองคุยเรื่องฉันก่อนอิหม่ามอะหมัดได้รายงานบอกว่าอัลอุคบีรุกุมเบฟัดเบอฟดอลมินดาราะจัศยามวะสโแลวะสโฎดะก้อเอาไหมฉันนะบอกนบีบอกนะฉันจะบอกว่าจะมีสิ่งที่ประเสริฐกว่าการถือสินอดการละหมาดและการจ่ใจสกาดฟังแบบนี้เราหูพึงเลยนะโอได้เยอะกว่าละหมาดได้เยอะกว่า ถือสิ้นอดและก็เยอะกว่าทำใจสากาศซึ่งอันนี้เป็นสามฟัดดูหลักของลุคนออิสลามแต่มีอยู่อันนึงประเสริฐกว่ากอรูบลาลยรารสุรุลล๊อแน่นอนเราอยากรู้นบีบอกว่าอิสลาฮดาตินไบคือการทำให้คนที่เป็นคู่กรณีกันเนี่ยเป็นไงดีกันปณีปนอมกันเนี่ยผลบุญเยอะนะพี่น้องอย่าดูอย่าดูถูกนะเรื่องนี้บางคนไม่สนใจคนเขาจะเป็นธุระทาให้คนดีกันได้ฉันขอละหมาด ก, ก่อน มันทะเลาะกันไปสุดท้ายมันยิงกันเข้ามาบ้านเราลใช่ไหมชวยเข้ามาบ้านเราไม่ได้ต้องเป็นคุระไกเกียนบีบอกต่อว่าทำไมมันได้ผลบุญเยอะรู้ไหมฟาซาดูซาตินเบติยะฮาริโกเพราะความบาดหมางการทะเลาะบอกแว้งเนี่ยมันจะนำมาซึ่งความเสียหายแล้วก็ความความแตกแยกแล้วความบุรกัรก็จะหายไปลูกทะเลาะกันถูกตีกัน ทะเลาะไปไวลูกเดี๋ยวย่อละหมาดก่อนขอละหมาดอย่างเดียวย่อจะละหมาดอย่างเดียวลูกทะเลาะปล่อยมันไม่ได้ต้องยุดเรื่องละหมาดไกลเกียร์ก่อนนีสุนัตนะเขดูเราทำหมดสุนัตไปก่อนวันนี้อาจจะไม่ได้ละหมาดแต่ฮัดยุดิพ่อไปเคลียร์เรื่องลูกทะเลาะกันไปเคลียร์ก่อนเพราะเมื่อใดที่ลูกทะเลาะกันพี่น้องทะเลาะกันบ้านไม่มีความสุขแล้วครับเราละหมาดมีความสุขหรอลูกทะเลาะกันอยู่หน้าบ้านฟ้องกันไปฟ้องกันมา เนี่ยอิสลามถึงบอกว่าดีแล้ววิธีการที่ทําให้ใจสงบใจร่วมต้องให้คนดีกันได้คนทะเลาะกันหาความสงบไม่ได้นะวันก่อนมีถลถมที่กันเนะทางบ้านที่ยุบอะไรไม่รู้ยิงกันตายรอพี่น้องแค่รถผ่านถนนยุบอะไรไม่ใช่ถนนยุบปูปดกอะกําแพงแตกยิงกันตายนะนี่คือภาพในสังคมของเราอ่ะอ่านต่ออ่ะต่อนะว่าไม่ ว่าไม่ย ذ ฟอันザลิกาปฏิโกอมารุดติลลผู้ใดที่กระทำดังกล่าวเพื่อแสวงหาความโปรดปานจากอัลลอฮ์แล้วไซร์เราก็จะให้รางวัลอันใหญ่หลวงแก่เขาหมายถึงสามสี่ข้อเมื่อกี้นะที่บอกสามข้อนะกระชิบกันในเรื่องที่เป็นความดีอัลลอฮ์บอกต่อ ว, ว่าว่ไม่ยู่แชกิจรอซูลและผู้ใดที่ฝา่าฝืนรอซูลมินบะดีมาตาบายยละหุนฮุดา หลังจากที่ทางนำอันถูกต้องได้ประจักษ์แก่เขาแล้วรู้ไหมศาสนารู้หมดแล้วเรียนมาอาเลมแล้วแต่ก็ยังไม่เอายังฝ่าฝืนอยู่วัยเตเบียรกอยรเสบีลินมุมีนีนและก็ถือว่าเขาเนี่ยปฏิบัติในสิ่งที่ไม่ใช่วิถีของคนที่ศรัทธาเพราะคนศรัทธาเขาจะไม่ทำกันอยู่แล้วใช่ไหมคนที่ทำ ฝ่าฝืนนบีไม่ทำตามแบบฉบับนบีไม่ทำตามสุนนะเนี่ยไม่ใช่ไม่ไม่ถือว่าเป็นแบบฉบับของผู้ศรัทธานูว่าลิฮีมาแต่ว่าละวานุสลิฮียะหันนมวาซาอัดมาซีรอมาเรา <c oughs> เขาหมายถึงเราก็จะให้เขาเนี่ยหันไปตามที่เขาหันไปเขายึดแบบไหนยึดคนไหนเป็นไอดอลยึดนู่นยึดนี่ไปก็หลงตามนั้นไปเลย และสุดท้ายพี่น้องครับเราก็จะให้ก็คืออัลล์เนี่ยจะให้เขาเข้านรกยะหันนำโดยที่เขานั้นเป็นคนเป็นทางกลับซาอัดแปลว่าทางกลับที่เลวร้ายที่สุดมะวาแปลว่าที่ผำนักซาอ่าแปลว่ากลับ <c oughs> อ่ะเดี๋ยวอ่านต่อนะ <c oughs> อายะที่หนึ่งร้ยสิบหก ยุชริกับอิห์นะครนี่แหละอินนัลลอฮะลาญัฟฟิรุอัยยุชรากับิอินนัลลอฮะลาญัฟฟิรุอัยยุชรากับิห์ไอไอหนเสียดนะไอยุชอ่า إِنَّ اللَّهَ لَا يغفِرُ َْ أ َ ي ُ ش ْ ر َ ك َ بِهِوَيَغْفِرُ مَا دونَ ُ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء อรบนนะว่ายกฟื้นว่ากฟมาดูน่าชาวกฟืมาดนาชาว่าไม่ยช بالله فقد ضل ضلالا بعيدا و ไม่ يُسرِك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا ตองฝากก้อเดนะอันนี้มีก้อนก่อนละนะแล้วก็ค่อยตัวดอดนะ f a q a ض َ ل FAQAD َ ل FAQAD ظل และว่าไม่ยِ่งริกบิَลาฮิَ a َ a d ل َ <Yeah. S 1> ل แล้วบ้าย์ดาและว่าไْ่ยْุงِิกบิลลาฮิ FAQAD َ ل อียด عون من دونه อันนี้อีนาซานะอีนาซาอิลล์อินาซ า, นะ อ, า, า, อ, อ, า, าอยู่ตรงนี้นะแล้วก็ดูนีฮีเนี่ยเขาเรียกมัาซีละคุบรอนะ4ฮารอกะ้าลองเสียงยาวนิดนึงดูนีฮีอาฮีหรือจะฮูเนี่ยถ้ามันมีอาริฟอยู่ข้างหลังก็จะยาวถ้าไม่ถ้าไม่มีอาริฟก็จะอ่านแค่2ฮารอกา้า อียด عون ดูนิอลอิอนต่อเลยนะ ว่าจะ دعون ั่นล่ะชัยตานั م َมาริดาว่า ي َ دعون إِلَّا ش َ ي ْ ط َ ا ن านั้น ر ِ ي د ً ا อ่ามาริดานะตัวรอนะไอแล้วก็ตัวดดนนะครับเอาอีกรอบหนึ่ง و َ ي َียด عون อิลล่าชَยตานัมมาริดะ ละแาน ه الله ละแน ه الله ละแงาน ه الله ละแน ه الله วก็ลวกล แท้หิ أ أ ้นน์น์น์น์น์น์น์น์น์น์น์น์น แท้หิ้นหนาไม่อบาَคนัวศิบัมัฟรุดัว و َ ل ا ُ ض ل ّ ن ّ ه م و ل ا, آ ُ م ن ّ ي ّ ن ّ ه م ولاأمرّنّهم พี่น้องจะเห็นนะว่าคำที่สองเนี่ยวะละอูมันแต่ถ้าเป็นคำที่สามเนี่ยวะละอาเพราะว่าตัวฮัมจ้าเนี่ยจะขยับมาข้างหน้านิดนึงก็มีอาลีฟอยู่ข้างหลังด้วยวะละอ า, อามูรอนนะฮุ้มนะครับส่วนอันอันนี่าวะละอู่วะละอูเลยนะไอ้อรอบนึงนะ و ่าเล่าดิลเลนน์หุ่มว่าเล่ามันนี่น์หุ่มว่าเล่ามรน ฟาลายุบติกุณอาดานอันงามฟาลาย ا บตกออัลยบ ที่คุณนอาดานะอันอามว่าลาอามุรนนาฮุม فلا يغيرناخلق الله ولا يغيرناخلق الله فلا يغيرناخلق الله วเมนจะทั่วทิศชั่วร้ายไม่มีมิ่นโดยอิลลัตอีรอบหนึ่งนะ ว่าไม่จะท้าทิ้ ل ชัยตานวลิยมَ ت َดูนิล ا ว่าّ ي ْ ط َ ا ن َ وَلِيًّا م ِว ن دُونِ اللَّهِ ف َ ق ก د ด ข้าศิร์ขามูบีฟกดข้าร์ุศรน้าามูบี ย่าิดหุมวยมันนิหิมย่าิดหุมวยมันนิหิย่าิดหุมวยมันนิ ว่าไมُยืดหّมุชชัยตานอิลลากุรอร่าว่ ا ไม่ยืดหูมุชชัยตานอิลลากุรอร่าุเลอีกม ا วะหุมจัฮันนัมَุ ا าอิกะมะวะหุมจัُันนัมุล่าอิกะมะ ه ُหุมจ ه َันน م ม ولا تجدون عنها ما حيصا ولا يجدون عنها ما حيصا والذين آمنوا وعملوا الصالحات وال الذين آمنوا وعملوا الصالحات س ن د خ ي ه م جنات ขิลุห์มจันนติ์ตาจริมตัพที่แห่ล้้นห์ สะนูดขิลุห์มจันนติ์ตจริมใ l ้เอเลอ ข้าล ي ดีน่าฟี د าอับดาข้าลีดีน่าฟีฮอับดา وعد الله ح ق وعد الله ح ق و man a و man a ดัก um oh ูมีนอัลล um oh อฮิ q i l a อะมาดูความหมายนะครับสิบหกสิบเจ็ดสิบามหสิบเก้ายี่สิบยิบเอ็ด 18, 19, 20, 20, 21, ิบสอง2น่ยาวหน่อยนะอัลลอฮ์บอกว่าอินนัลลอฮแท้จริงอัลลอฮ์ และยักฟิรุแท้จริงอัลลอฮจะไม่ทรงอภัยโทษให้แก่การที่สิ่งหนึ่งสิ่งใดเนี่ยถูกนำมาเป็นพาคีแก่พระองค์ตรงนี้หมายถึงตายไปแล้วนะถ้ายังไม่ตายและกลับเนื้อกลับตัวได้ไหมได้แต่ถ้าตายบนการทำชีริกต่ออัลลอ พูดง่ายๆว่าไม่ได้ตาบัดตาได้บัดตัวเนี่ย ไ, ไ, ไม่ได้กับเนื้อกับตัวและตายไปพร้อมกับการตั้งภาคีอันนี้แน่นอนว่าอัลลอฮ์ไม่ให้อภัยโทษของคนที่ตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์หรือคนที่ปฏิเสธอัลลอฮ์จะอยู่ในนรกแบบตลอดการไม่ได้ไม่ได้ออกมาจากนรกเลยนะอัลลอฮ์บอกต่อว่าเวยัฟฟิรุมาดูน่าดาลิกาลีไมยาชะ แต่สรงอภัยโทษให้สิ่งอื่นจากนั้นสำหรับผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์แต่ถ้าเกิดเราตายไปกับบาปอื่นที่ไม่ใช่ชีริกต่ออาสมมุติเป็นซีนาก็ได้กินดอกเบีย้ยนะหรือฆ่าตัวตายและตายไปมีโอกาสที่เอาล่อจะให้อภัยไหมมีมนั่นหมายความว่า การตกนรกของเขาจะไม่ตลอดการเมื่อตกนรกครบจำนวนของบาปที่ได้กระทำไว้ก็จะออกมาจากนารกและเข้าสวรรค์แสดงว่าเขายังมีอะไรอยู่ยังมีคำว่าเตาฮีตก็คือการให้เอกภาพก้อนล่ออยู่ยังมีอีมา ن อยู่ว่าบุญง่ายแต่ที่ทำไปเพราะว่าแพ้ภัยชัยตอนหรือแพ้ภัยตัวเองอ่แหละแพ้นับซูตัวเองนั่ น, น จึงไม่แปลกว่าทำไมคนค่าตัวตายเราถึงเอามาละหมาดเอามาเอามาอาบน้ำเอามากระฟันเอามาละหมาดจนาซ่าและก็ฝังอ่าเพราะ <c oughs> ในมุมของคนที่เป็นเนี่ยก็จะเห็นว่าเขายังเป็นมุสลิมอยู่แต่ทงกันข้ามถ้าเรารู้ว่าคนคนเนี้ยทำชีริกต่อเ น, นื่องเลยไปกราบไหว้สิ่งอื่นด้วย หรือแขวนอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วเชื่อแบบนั้นเลยนะโดยที่ไม่ได้มีข้อผิดพลาดเลยนะหมายถึงว่าไม่รู้ไม่ใช่นะแล้วตายเนี่ยไอ้ยิ่งไม่ได้นะคุณจะไปไงกับปล่อยไปเลยจะไปฝังปราชาไหนกับไปนะอันนี้ไม่ได้นะครับต่อมาว่าไมยุชริกบินแลฮิฟากอดดอนและดอลาลามบายดาและผู้ใดที่ตั้งภาคีแก่อัลลอฮ์แน่นอนเขาได้หลงไปอย่างไกลริบแล้วไปแบบไม่กูแล้ว นะอายะที่สิบเจ็ดอัลลอฮ์บอกต่อว่าแล ข, ขาจะไม่วิงวอนขออื่นจากพระองค์อียนะเดอูเนี่ยคนที่ทำชีริกต่อรอดเนี่ยเขาจะไม่ดูอานะไม่ดูอากับอัลลอ์อย่างเดียวพูดง่ายๆ ไ, ไม่ขอต่อรอดอย่างเดียวนะหรือมีขอกับอย่างอื่นด้วย นอกจากจะไปขอกับอิลลาอีนาซาตรงนี้เขาแปลว่าอะไรรู้ไหมแปลว่าจะเวิตหญิง <c oughs> <c oughs> จะเวิหญิงงงไหมเจเวิมีหญิงด้วย <c oughs> คืออย่างนี้พี่น้องครับอัลตอฮะบอกว่าอายะนี้เนี่ยบรรดาพวกมุมมชลิกูรสมัยก่อนเนี่ยคนที่ทําชิริกสมัยก่อนเนี่ยเขาจะเรียกมาลิการ์เนี่ยเป็นลูกสาวของอัลลอฮ์เขาจะนับว่ามาริการ์เนี่ยเป็นลูกสาวซึ่งจริงๆรมาริการ์มีเพศป่ะ <c oughs> ไม่มีนะ่ะ แต่พวกเนี้ยจะบูชามาริกาและบอกว่ามาริกาเนี่ยเป็นลูกสาวของเราชอบให้พระเจ้ามีลูกอยู่ด้วยพวกนี้นะนบีซาเอ่อก็ทำชิริกกันเลทําชิริ ก, วรกพวกมุชลิกูนก็ได้กล่าวว่าเรากลับไหว้พวกเขาก็คือเอามาริกาเนี่ยมาปั้นทำเป็นจเจวจตแล้วก็เป็นลักษณะของเพศหญิงเป็นลูกสาว เพื่อที่จะขอความใกล้ชิดเป็นสื่อไปหา Allah. อัลลอ์อ่าคือไม่ได้ผ่านอัลลอฮ์โดยตรงอ่ะผ่านรูก ป, ปันก่อนผ่าน เ, เวตดก่อนดังนั้นพวกเขาจึงเอานางมาเป็นพระเจ้าด้วยเอาเมริกาทิแล้วก็อ้างว่าเป็นลูกสาวเนี่ยของอัลลอฮ์เนี่ยมาเป็นพระเจ้าด้วยเพราะเป็นลูกสาวของพระเจ้าโดยพวกเขากล่าวว่าเหล่านี้แหละเป็นเสมือนบุตรีของพระเจ้าอ่ามีหุ้นส่วนด้วย และอธิบายตรงนี้ก็มีในอื่นนี่นะในสุร้อนนจมนะอย่างในอายาอื่นก็อันนี้เป็นเป็นเหมือนกับเป็นการกราบว่าในสมัยก่อนเขาจะหาว่ามาเลกาเนี่ยเป็นลูกสาวของเรามาเลกาก็เป็นบ่าวของลอเป็นสิ่งที่ถูกสร้างจากรัศมีไม่มีเพศนะเป็นสิ่งที่ถูกสร้างไม่ได้เป็นลูกเป็นอะไรนะเป็นบ่าวของลออย่างหนึ่งอ้าวต่อมา ว่าอินยะดูนันอิลเชัยตอนมารีดาและพวกเขาก็จะไปขอวิงบอกับชัยตอนที่ดื้อรั้นนะครับชัยตอนที่ดื้อรั้นคือผู้ที่ใช้ให้พวกเขากระทาสิ่งที่ไม่ดีดังกล่าวมันพยายามทำให้พวกเขาเนี่ยเห็นว่าเป็นเรื่องดี อของเนี่ยมันใช้ไม่ดีแต่พยายามเปลี่ยนความคิดว่าเนี่ยเป็นเรื่องดีดีนะเนี่ยการไหวบูชาจเวิตเป็นเรื่องดีอยังงี้นอย่างนี้บรรพบรุษทํากันมานะต้องมีการบูชาต้องมีการบูชายันมีการมีเครื่องเส้นไหวอะไรเงี้ยนะครับก็จะมองว่าเป็นเรื่องดีนะเป็นการอ้าง น, นี่คือวิถีของชัยตอนชัยตอนมันพยายามเปลี่ยน คือคือมันไม่ได้ว่าอยู่ดีก็ไปไปกราบไหว้เวิสเลยแต่ว่ามันมันช่วยค่อยนะพี่น้องเคยเคยได้เรียนเนี่ยประวัติของการทําชีริกแรกเนี่ยมาจากนู่นเลยคนดีนั่นแหละสมัยน บ, บีนุ่นอ่าคือสมัยน บ, บีนุ่นเนี่ยมีรูปปัน้นมีร้านมีอะไรเนี่ยเต็มเลยคือเป็นคนดีพอเขาตายไปเสร็จปับ๊บชัยตอมมันก็มาบอกว่าเนี่ยคนดีพวกเนี่ยเมื่มกอก่อนเขาเคยนั่งวิดิศอัลลอฮ์เคยนั่งที่กุลลอห์อยู่ตรงเนี้ยทําสัญลักษณ์บอกหน่อยสี ก็เอาไม้มาปักเอาไว้เป็นตนอก่อนเอาไม้มาปักเอาไว้พอปักเอาไว้ก็บอกว่าอ๋อตรงนี้มันเป็นไม้อะไรล่ะมีคนถามก็บอกอ๋อไม้ตรงนี้เป็นการปักเป็นสัญลักษณ์ว่าเป็นที่คนซอเล่ที่ชื่อวาราตเนี่ยนะเป็นคนดีเป็นคนดีของเนาะคนในยุคนั้นถามว่าทําชิริกยังยังก็ยังไม่มีอะไรก็ยังเห็นเป็นไม้อยู่แต่รู้ประวัติความเป็นมาปรากฏวัยคนรุ่นเนี้ยตายไปแล้วสองสามรุ่นตายไปแล้วประวัติไม่เดือแล้ว มีแค่เขาโคง้งเฉยเฉยว่าไม้เนี่ย<ช>น่าจะเป็นไม้อย่างหนึ่งที่ศักดิ์สิทธิ์แหละอ่าแล้วก็โคดไม้เนีช่ชื่อว่าลาร์ชื่ออะไรก็ว่ากันไปเพราะกฏว่าไม้หักพอไม้หักไปเราต้องบูรณะใหม่ครั้นี้เป็นไม้อย่างเดียวไม่ได้แล้วต้องมีหัวมีหางมีอะไรแล้วจมีเรืเ่องร่างแล้วปั้นไปแล้วอ่าพอปั้นไปพอมามาปุ๊บเออเฮ้ยมันน่าจะดีวะเลยไปขอเลยเอาผ้าไปผูกซะหน่อยเอานู่นเอานี่ไปเอานู่นไปวางว่ากลายเป็นของศักดิ์สิทธิ์แล้ว มันเลยเถิดไปเลยจากไอที่เป็นไม้เป็นแค่บอกสถานที่ว่าเป็นคนเป็นที่ที่เป็นคนดีอยู่จนกระทั่งคนไม่รู้ตายตายตายตา ย, ตายไปกลายเป็นรุ่นหลังมาก็ไปขอกับไม้เรียบร้อยแล้วเขากับเสวยเรียบร้อยแล้วนี่ตัวอย่างนะนี่ชัตอนมันพยายามทําอ่าคือประเด็นก็คือว่าผู้รู้เนี่ยจะเป็นเสาหลักในการปกป้องแต่ผู้รู้ตายไปหมดแล้วคราวนี้ไปหมดเลยนะเพราะว่าชัตอนมันกลัวใครกลัวเอเลมมันกลัวคนพูดคนรู้ นีเพราะมันรอไม่ได้ไงเอาต่อมาและอนาโลเอลเลาะทรงสาบแช่งมันชัยตนนี่ยเอาเลาะสาบแช่งชัยตนวะกอลและอัตตะคีดันนามินอีบาดิกานาซีบัมมะฟรูโดและมันก็ได้กล่าวว่าแน่นอนยิ่งฉันจะเอาปวงบ่าของพระองค์เนี่ยให้ได้ซึ่งส่วนที่ถูกกําหนดไว้ มันกล่าวกับอลล์เลยว่ะในเมื่อพระองค์อลล์เนี่ยสาบแช่งมาแล้วเนี่ยมันไม่ไปคนเดียวรมันจะพาพักพวกไปด้วยก็คือพวกเราที่เป็นอีบ่าวของอลล์นิเล่ที่ไม่ค่อยสนใจศาสนาก็จะพามันไปพวกด้วยพี่น้องครับอายะที่19เนี่ย<ม>เป็นการบอกเล่ออุบายของเชยตอนเชยตอนมันจะทํำยังไงมันจะหลอกไงมันบอกว่าลาอูดิลันนาหุม แน่นอนยิ่งฉันฉันก็คือตัวชชยตอนเนี่ยจะทำให้พวกเขาหลงผิดดอลลาล์ละหลงผิดทางไหนที่ไม่มาจากอัลลอฮฺและรอซูนเนี่ยมันพาไปหมดเลยพี่น้องครับทางที่ถูกต้องมีกี่ทางมีทางเดียวแต่ถ้าทางไม่ถูกมีกี่ทางเพียบดังนั้นจากเารสังเกตนะไอ้คำว่าดูรูมาตีลันูนไอ้คำว่าอ นูดเนี่ยมันคืออันเดียวหนึ่งนะแต่ซูล mm ูมาสเพียบไปหมดเลยไอ้ทางหลงผิดแต่มันเยอะอ่าทางถูกมีอันเดียวแต่เมื่อใดที่ออกจากทางถูกแปลว่าอะไรก็สู่ทางหลงผิดเลยวิธีง่ายๆคือห ย, ยุดยึดอันที่ถูกเอาไว้เราก็จะไม่ผิดจะไปหาของไปไปบอกอันนี้ผิดผิดเนี่ยไม่ต้องอันนี้ของถูกก่อนวิธีการเรียนเราจะไม่ผิดเ่ยเราต้องเรียนของถูกก่อนเมื่อรู้รู้ของถูกปับ๊บเราแยกออกได้แล้ว ไม่ต้องไปเรียนของผิดเลยเรารู้เลยว่าไอ้ที่ไม่ตรงกับของถูกเนี่ยคืออะไรคือผิดเขาของของถูกมีอันเดียวแน่นอนยิ่งว่าแล้วอูว่าอูดินลันหุมเราจะทำให้พวกเขาหลงผิดว่าแล้วอูมันเนียนหุมและทำให้เขาเนี่ยเพ้อฝันพี่น้องครับเดี๋ยวนี้เขาเรียกว่าเปลี่ยนความคิด ทำให้คนเนี่ยไม่สนใจศาสนามองสัจธรรมเรื่องจริยธรรมเป็นเรื่องล้าหลังมองวิทยาการความสุขความสบายต้องพัฒนาต้องเจริญเป็นเรื่องทันสมัยเห็นไหมมีนะเดี๋ยวนี้เยอะแยะเลยเห็นเนี่ยเห็นลูกตาคุมหัวเนี่ยพวกนี้พวกล้าหลังอ่าโปชันต้องเป็นไงโปต้องโปถ้าโปนี่แสดงว่าเจริญแล้วงงหเออถ้าโปนี่เจริญโตงงไหม อันเราบอกว่ายันขอโทษนะวัวควายนี่ยอย่างเจริญเลยเพราะไม่เคยใส่เสื้อผ้าเลย <c oughs> มันเปื้อยกายตลอดพวกสัตว์เนี่ยใช่ไหมมนุษย์เราต้องใส่เสื้อผ้านะครับ <c oughs> อมีแค่สัตว์เดรัจฉานเท่านั้นแหละที่มันไม่ใส่เสื้อผ้า <c oughs> อันนี้เราจะเป็นเหมือนพฤติกรรมเหมือนเดรัจฉานเนี่ยไม่ใส่เสื้อผ้า <c oughs> พยายามโปว้วยาซูบิน ล, ละพูดแรงหน่อยนะขอมาอัพด้วย <c oughs> และแนโนยิง <c oughs> น่งนะ คือไอ้คำว่ารอนรอนเนี่ยมันเป็นเป็นกริยาที่บอกว่ามันจะทำอย่างแน่นอนมันตั้งใจเลยมันมุ่งมั่นเลยพี่น้องและอาโมรอนะฮุมมันจะสั่งใช้มันจะยุยงสั่งใช้ให้ทำความผิดเฟลออยู่บัตติกุลอะอาณานะอันอามและแน่นอนว่าพวกเขาจะให้ผ่าหูของปัจจุสัตงงไหมคือ จะให้ยุ่งเกี่ยวกับการถวาย<ม>คือว่าสัตว์เนี่ยมันจะมีสัตว์ที่เขาเรียกเอาไปปล่อยอะ่ะสมัยก่อนเป็นการอุทิศให้กับจเจวิตไม่กินนะไม่กินเนเานเนะปล่อยไม่ได้เลยมันเดินแล้วเขาจะทำสั ญ, ญลักษณ์เจาะหูไว้เป็นสั ญ, ญลักษณ์ว่าสัตว์พวกนี้<ม>เขาได้ปล่อยเพื่อเป็นการถวายให้กับจเจวิตคุ้นๆไหมนี้ <c oughs> เออเป็นการ ต่อบุญต่อโชคชะตาเออนี่คือความเชื่อในสมัยก่อนนะมีสัตว์ไปคิดมีสัตว์ที่มีสัญลักษณ์พวกนี้จะไปแตะมันไม่ได้กินไม่ได้เป็นสัตว์ที่เขาอุทิศให้กับเจวเวศแล้วรูปปั้นแล้วอ่าต่อมาและแน่นอนยิ่งฉันจะสั่งใช้พวกเขาและแน่นอนอันนี้พี่น้องครับ เฟ้ยอยู่คอยฟ้ยอยู่ค ย, ย, ยรุนนกะก้อนกอนลอให้เขามุ่งอยู่กับการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เอานอสร้างอันนี้ผูผ้หญิงโดนเต็มเต็มผู้ชายก็โดนด้วยเรื่องอะไรเนี่ยสัญญกรร ม, ญญแมแต่งเติมแต่งเติมไม่ได้แต่งสวยนะแต่งสวยได้ไม่เป็นไรแต่งสวยได้จ้ะไม่เป็นไรแต่งสวยได้ไม่ได้ห้ามแต่ห้ามเรื่องของการเปลี่ยนแปลง สิ่งที่เอา ล, ล้อให้มาเอา ล, ล้อให้จมูก ม, มาแค่นี้พอแล้วนะหายใจพอแล้วอยากจะได้แบบตึกประยกุก <c oughs> ปากเนี่ยเอา ล, ล้อให้มาเนี่ยมันยังมันมันยังบวมไม่พอเป็นไงฉ <c oughs> ีดเข้าไปให้มันบวมบวมใหญ่ <c oughs> เปลี่ยนแปลงกามตัวเองมันเอา ล, ล้อให้เคี้ยวดีใช่ <c oughs> หไหมหุบทุบมันให้มันเบา <c oughs> เออ เนี่ยเขาเรียกการเปลี่ยนแปลงสัญกรรมซึ่งตรงกันข้ามกับการอะไรนะการใช้โฟมลา้างหาน้ามันนี้จะมีปัญหาหน้ามันมันเป็นสิวใช้ได้ไม่เป็นไรรักษาสิวได้แต่ห้ามในการทาสัญกรรมเปลี่ยนแปลงผ่าตัดในสิ่งที่อัลลอฮ์ให้มาอ่อด า, า ด, <c oughs> อดีมากข้าจะถามและอานาลอ อัลลอฮ์เนี่ยทรงสาบแช่งใครบ้างนะวาชีมาตผู้หญิงทําศักจริงๆเนี่ยเปลี่ยนแปลงอัลลอฮ์เนี่ยหมายถึงสักสักแสดงว่าสักคิ้วได้ไหมเนี่ยก็ไม่ได้ไงห้ามนะไปศักคิ้วสักตามลวดลายต่างๆห้ามและก็ห้ามเป็นคนศักให้เขาด้วยบางคนมุสลิมบอกฉันไม่เคยฉันรู้แหละฉันไม่สักหรอกแต่ฉันไปสักให้คนอื่นก็ไม่ได้จะสัก แบบสวยงามก็ไม่ได้หรือจะสักยิ่งเป็นสักเกี่ยวกับพวกคาถานีไกลไปใหญ่เลยไปชีริกเลยห้ามสักห้ามถอนอ่าอันนี้เราจะมีนะผู้หญิงมีผมงอกเป็นไงกลัวผมงอกถอนอ่าบางคนเนี่ยอายุเจ็ดสิบแล้วจะถอน อ, อ๋อฉันว่าโกนเถอะมดหัวดิ อย่าไปถนอนอย่าไปถอนห้ามแต่ย้อมได้ย้อมเห็นหน้าได้ อ, อย่าไปถอนนะห้ามเสาะฟันนี่เสาะฟันเสาะฟันดัดฟันน่ะเละถ้าดัดฟันเพื่อความสวยงามไม่ได้ฟังให้ดี แต่ถ้าเกิดสมมติเราเนี่ยฟันเราเนี่ยมันมีปัญหามันเกมันล้มหรือกีเนี่ยฟันหักไปทำฟันปลอมได้ไหมได้ฟันมันหักอ่ะจะเคียวอันนี้ได้แต่ฟันเราเนี่ยดีหมดเลยแต่อยากจะเซาอให้มันสวยอันนี้ไม่ได้นะต้องไปให้หมอประเมินก่อนถ้าหมอเขาบอกว่าฟันคุณเนี่ยไม่มีปัญหาเลยและยังจะทำอันนี้แสดงว่าบาปแต่ถ้าเกิดฟันฟันเราไม่ปกติขอโทษที เรียงกันเกกันโผล่มาข้างหน้ามาข้างหลังมัง่งยิ้มมาทีเนี่ยโอ้โหอยากจะจัดระเบียบแล้วเกินอันนี้ไม่เป็นไรอา้าวต่อมาแล้วก็เปลี่ยนแปลงขนคิ้วเนี่ยห้ามนะพี่น้องนะเอามีดไปอะไรเงี้ยไม่ได้เลยปล่อยไว้งั้นแหละเอาล้อให้มาไงงั้นแต่ถ้าเกิดจะวาดเขียนเติมได้ไม่เป็นไรทาปากได้ทาบริสติกได้ใช่ไหม เกิดคิ้วแล้วมันไม่ดกเอาไอ้ดำๆป้ายเข้าไปได้แต่ไม่ต้องไปโกนแล้ววาดใหม่ไม่ต้องห้ามโกนห้ามกันคิ้วผู้หญิงเนี่ยห้ามผู้หญิงจะเป็นเยอะแล้วเวลาจะเป็นพวนไหนรู้ไหมวันมิก้ช่างมันมาไงจ้างมาแพงกันหน่อยนะคิ้วมันเยอะไปอ่ะรอวักบัตรวันแรกก็เอาบาปซะแล้วเอาล็อตสาบแช่งนะมันต้องไปต้องป ล, อปล่อยอย่างนั้นแหละทาได้ไหมว่า อย่าไปโกนไปกันมันออกตัดอ่าด้านี้สัญญกา ร, รมทั้งหมดเอย่าเอาล้อห้ามนะครับยกเว้นที่ทําได้สัญญกา ร, รทําได้ถ้าเป็นการรักษาเช่นวันหนึ่งเนี่ยฮัตยาไปหน้าขมําดั้งหักอันนี้ทําได้เลยทําได้เลยอันนี้ต้องต้องล้มนะของเราหักมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วอันนี้ไม่ได้เออแต่ถ้าเกิดไปล้มอุบัติเหตุ ก้ามหักทำได้นะอันนี้จมูกหักทําได้แต่เอาพอดีพอดีอ่าไหนๆจะทำแล้วนะคือไม่เอาเน้นความสวยงามพูดนี้ไงเราเน้นใช้ประโยชน์ปากแบ่งไปด้านโว่อันนี้ไปผ่าตัดได้เลยนะครับแต่ว่าไม่เน้นเรื่องไม่เน้นเรื่องสวยงามเน้นอะไรเน้นเรื่องประโยชน์แต่มันสวยอยู่แล้วแหละแน่นอนมันก็ต้องทําให้สวยหน่อยแต่ว่าแต่ว่าเน้นประโยชน์ในการใช้งานใส่ฟันปลอมได้ไม่มีปัญหา ทำฟันทำรากฟันได้ไม่มีปัญหารักษาฟันได้อา้าวต่อมาวายยะตะขีดเชตตอนวารียาและผู้ใดที่ยึดเอาเชตตอนเป็นผู้ช่วยเหลืออื่นจากอัลละฮ์แน่นอนเขาขาดทุนอย่างย่อยยับขาดทุนอย่างชัดเจนยาอิโดฮุมยูมันนีหิมยาอิโดฮุมว่อยู่มันนีหิมแปลว่าอะไรมันจะสัญญากับพวกเขาและจะทําให้พวกเขาเผลอฝัน สร็จแล้วว่ามาญาติดูมุชัยตอโนอินละกูรูรแล้วชัยตอนก็ไม่เอาสัญญานอกจากการหลอกลวงถึงวันกิยามัตมันบอกตัวใครตัวมันขอโทษนะกูยังตัวไม่รอดเลย <c oughs> จะช่วยอะไรได้ก็มันกับลงนรกนะ่ะแล้วเราจะไปอ้างกับลอว์บอกว่าอ๋อมันหลอกจ่าชัยตอนมันหลอกไม่ได้ไอ้สัญญาว่ามันจะช่วยนู่นช่วยนี่อะไรก็แล้วแต่ชัยตอนนะ่ะนะมันหลอกเท่านั้นแหละแต่ผู้ที่ช่วยเหลือได้ก็คืออัลลอฮ์เท่านั้น ตอนเลาะให้บุญนะให้ผลบุญให้การตอบแทนอ mm ุลเอิกะมะวาหุมจะหันนำสุดท้ายพวกนี้ที่อยู่ของเขาก็คือนรกยาหันนำวาเลเจยดูนะอันหามาไฮซอและแน่นอนว่าเขาจะไม่พบทางรอดใดๆเลยที่จะให้พ้นจากมันไปได้หมายถึงอะไรหมายถึงถ้าเมื่อใดที่เอาชชยตอนเนี่ยมาเป็นหวลีมาเป็นพู ด, พดปกครองแล้ว เอามาคุมเอามาอะไรนะเอามาใส่ให้มันขี่คอเราแล้วเนี่ยก็ไม่มีทางออกอย่างอื่นแล้วยกเว้นว่าเราจะต้องเป็นศัตรตูกับมันเอามันเป็นพวกได้ไหมไม่ได้ต้องเอาเป็นศัตรตูพอเป็นศัตรตูปับ๊บเราก็จะเป็นเป็นอะไรนะเป็นเออเออเอาล็อก็จะเป็นผู้ช่วยเหลือเราแต่เมื่อใดที่เราเอาชัยตอนมาเป็นมิตรกับเราแน่นอนว่าชัยตอนมันช่วยเหลือเราแล้ไม่ได้นะครับและสุดท้ายมันก็จะพาเราไปนรกนั่นเอง ต่อมาวันแลดีนาอามานูอ์อัพูดถึงคนดีแล้วนะบรรดาผูดด้ที่ศรัทธาและทําความดีทั้งหลายศรัทธาต่ออัลลอฮ์และทําความดีซานูดะคีลูฮุมจันนาตินตาจรีมินตาตีฮันอันทาร์แน่นอนเราจะให้เขาได้เข้าสวรรค์ซึ่งมีแม่น้ําหลากหลายอยู่เบื้องล่างคอลีดีนาฟีฮะอับดาอยู่สวรรค์แล้วไม่มีออกอยู่แบบตลอดกาลนิดนิรัดนดรไม่มีแก่ไม่มีสวไม่มีศูญย์วัยนะ อัลลอ์บอกว่าไงวาดลอฮิฮักกอสัญญาของอัลล์เป็นจริงคูแอบอกสัญญาของอัลล์ไม่เป็นหมันสัญญาของอัลล์เป็นจริงแต่สัญญาของชายตอนคือสิ่งที่หลอกลวงและปิดท้ายก็คือวามัสดากูมินาลอฮิกีลาและใครเล่าจะมีคาพูดที่จริงไปกว่าอัลลอฮ์อีกอะปิดท้ายนะครับประมาณนี้นะสุบฮานากรลอฮุมมาวาบิฮามนิกาอัลชาดุอัลลาฮิลาฮิลาอัลตาอัสตัฟิลูกะวะตุบุลไล